เสียงานหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านฉบับเกิดใหม่ในสวรรค์ผลงานต่อยอดจากฉบับดังเดิมเพื่อให้ตาสว่างบนทางเทวดาจากหลักฐานในตัวคุณงานเขียนโดยดังตรินเนื้อหาภายในประกอบด้วยหัวข้อหลักได้แก่รำลึกถึงวันส่งแม่ขึ้นฟ้าเหตุผลที่วิญญาณยังวนเวียนไม่ไปไหนวิธีส่งญาติแบบพุทธ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 ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับจากใจสำนักพิมพ์ฮาวฟา้าที่คุณกำลังถืออยู่ในมือหรือกำลังฟังอยู่นี้คือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เอาติดตัวไปได้จริงสมบัติติดตัวข้ามพบไปได้จริงนั้นไม่ใช่กระดาษหนังสือ และหาใช่รอยหมึกแต่เป็นอารมณ์สว่างสุดจิตสุดใจหลังจากได้เข้าซึ้งถึงความจริงอันรู้ได้เฉพาะตนต่างหากเมื่อใดที่ความคิดความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์และนิพพานเป็นที่กระจ่างหายสงสยัยหายคาใจเมื่อนั้นเท่ากับคุณได้เครื่องช่วยเตรียมใจที่ประเสริฐกว่าเครื่องต่อลมหายใจมากนักหากทราบว่านังสือเล่มนี้ช่วยคุณส่งญาติขึ้นฟ้าได้จริง กับทั้งช่วยคุณให้เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวได้ถูกก็นับว่าควรค่ากับชื่อเสียดายคนตายไม่ได้อ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วมิใช่หรือหลงชื่อสำนักพิมพ์ h าวฟาสำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อหนังสือในราคาถูกดูรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ h a w f a b o o k s com นะครับสำหรับเสียงอ่านทุกเรื่องชมรมผลดีเพียงแต่เห็นว่าเนื้อหาน่าสนใจน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง จัดทาเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เขียนหรือสำนักพิมพ์แต่ประการใดนะครับจึงขอแจ้งให้ทราบตรงนี้ไว้ทั่วกันจากใจดังตรินโลกนี้มีแต่คนตายไปแล้วกับคนที่ขยักใกล้ความตายเข้าไปทุกทีแต่ก็น้อยเท่าน้อยที่ใช้ชีวิตที่เหลือได้คุ้มพอ ความจริงเป็นสิ่งไม่เคยตายโดยเฉพาะเรื่องหลังความตายคุณจะอยากรู้หรือไม่อยากรู้ยังไรวันหนึ่งก็ต้องพบกับความจริงนั้นคำบอกเช่นอย่าไปสนใจเลยว่านรกสวรรค์จะมีหรือไม่มีแค่ทาวันนี้ให้ดีที่สุดก็พออาจใช้ได้กับบางคนที่คิดว่ายังมีชีวิตอยู่อีกนานแต่สำหรับคนที่เฉียดใกล้ความตายเข้าไปทุกที ฟังแล้วไม่มีทางสบายใจกันได้ในเมื่อไม่มีความรู้ความเข้าใจใดๆเลยว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเป็นอย่างไรหรือดีที่สุดในแบบที่ตนเคยเคยทำมาจะต้องได้รับผลแบบไหนกันแน่ภาวะใกล้าตายไม่ใช่เรื่องล้อเล่นคนส่วนใหญ่เตรียมรับมือกันไม่เป็นแล้วบรรดาญาสนิทมิสหายนอกจากจะไม่มีส่วนช่วยให้ดีขึ้น ยังมักมาซ้ำเติมให้แย่ลงด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเข้าไปอีกเป็นต้นว่าแสดงความเศร้าโศกนึกว่าจะทําให้ผู้ป่วยรู้สึกดีที่มีคนไม่อยากให้ตายแต่กลับกลายเป็นกระตุ้นอารมณ์อาลัยตรึงจิตผู้ป่วยไว้ไม่ให้อยากจากไปไหนซึ่งในแง่ของเรื่องจิตวิญญาณแล้วไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยที่ยังมีพันธนาการผูกใจอยู่ สำหรับวิธีนำเสนอในครั้งนี้ผมจะไม่เขียนแบบที่ชวนให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องเล่าสืบๆกันมาแต่มุ่งให้คุณรู้สึกว่าสวรรค์ลและนิพพานยังคงเป็นเรื่องจริงถ้าอยากรู้เห็นก็ยังรู้เห็นได้อยู่ในวันนี้โดยอาศัยร่างกายและจิตใจนี้ของคุณเอาไปดูระหว่างอ่านหรือหลังจากอ่านจบ ผมคาดหมาให้คุณเกิดความรู้สึกเปล่ากับผ่านประสบการณ์ตรงมาบ้างทั้งในฐานะของผู้ส่งญาติและทั้งในฐานะของผู้กำลังจะจากไปด้วยตนเองเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาเข้าได้เข้าเข็มจริงคุณน่าจะนึกออกแล้วรู้สึกเหมือนเคยซักซ้อมมาก่อนณจุดแห่งการจะต้องก้าวล่วงผ่านพบชาติดิไปคุณจะเห็นค่าและเข้าใจว่าทาไมพระพุทธศาสนา จึงเน้นย้ำให้ทุกคนระลึกถึงความตายกับทั้งประจักษ์ว่านอกจากไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วการเตรียมพร้อมอย่างถูกต้องอยังจะช่วยให้จิตบังเกิดความเฮือหันดุจเดียวกับการย้ายบ้านใหม่ได้ไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเก่าเป็นไหนไหนนับจากหน้าถัดไปคุณจะค่อยๆถูกชักชวนให้ก้าวถอยกลับเข้ามาทาความรู้จักกับโลกของจิตวิญญาณ ซึ่งมีอยู่ให้สัมผัสได้จริงแม้ในวินาทีนี้เพื่อจะได้ก้าวหน้าไปในทิศทางพาตัวเองและคนรอบข้างออกจากความเดือดร้อนนานับปการทั้งปัจจุบันและอนาคตขออานิสงและความสว่างอันพึงเกิดขึ้นจากการเขียนหนังสือเล่มนี้จงได้แก่แม่ตันนางอัจฉราไมตรีเวทผู้ให้กำเนิดข้าพเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้น ในที่นี้คือแม่ของคุณดังตรินนะครับลงชื่อดังตรินสิงหาคมพุทธศักราช2556